แล้วก็ลงมือปฏิบัติยกระดับจิตใจของตัวเองไปสู่ความพน้นทุกข์วันหนึ่งจะได้เป็นพระสงฆ์กับเขาบ้างผู้หญิงก็เป็นได้นะผู้ชายก็เป็นได้ฆราวาสก็เป็นได้พระก็เป็นได้คำว่าสุปฏิปันโนพคัาภีรโตสาวะกะสังโคไม่ใช่บอกว่าพิกุสังโคนะไม่ใช่คําว่าสาวะกะสังโคสาวบุษ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 อาาคามีมากอาาคามีผลอรหัสตมาร์กรหัสกับผลในพระอริยะมีอยู่แปดจำพวกแต่แปดจำพวกเนี้เป็นจำพวกที่เกิดขึ้นแวบเดียวนะชั่วขณะจิตเดียวแค่สี่จำพวกพระโสดาปฏิมาร์กเนี่ยไม่ใช่พระโสดาปฏิผลไม่ใช่ฆราวาสก็เลยแยกจำพวกเอาไว้อันหนึ่งแต่ความจริงแล้วเกิดหนึ่งขณะจิตเท่านั้นเอง ทันทีที่เกิดโสดาปฏิมักเนี่ยจะไม่มีช่องว่างมาขั้นเลยจะกลายเป็นโสดาปฏิผลทันทีเลยแต่ท่านจําแนกไว่อย่างละเอียดเพราะว่าพระโสดาปฏิมักก็ไม่ใช่ถ้าโสดาปฏิผลไม่ใช่ปูถุชนแต่ผ่านไปชั่วขณะเดียวเนี่ยจะเห็นว่าท่านจําแนกคําว่าสาวะภาษาโูพระสงฆ์สาวกของท่าน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 เอาให้เหงื่อแตกท่วมตัวเลยนะแบบถึงขนาดว่ารักแร้เปียกเลยอะไอย่างเงี้ยสานวนเขาหนักหนาอยู่นะพอไปเจอพุทธเจ้านะเขมาถามว่าท่านสอนอย่างนี้จริงหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวใช้ตนจริงหรือเปล่าท่านว่าจริงเขาต้องถามสามรอบนะเพื่อไม่ให้ดิน้นจะมาตะแบงทีหลังว่าไม่ได้พูดไม่ได้เลยถามให้คนได้ยิน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 พระเจ้าก็ถามว่าแล้วเหงื่อของพระพุทธเจ้าออกไหมไม่ออกเหงื่อของแกเนี่ยท่วมตัวเลยบอกลองยกรักแร้มาโชว์สินะเหงื่อเปียกไปทั้งตัวแล้วเปียกกระทั่งรักแร้อันนี้ก็เป็นชัยชนะครั้งสำคัญของพระพุทธเจ้านะสัจาการนิครนี้ไม่มีชื่อเสียงมากเลยในเรื่องปัญญาตแตกฉานมาก้กทาไมต้านทาน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 ทำให้พระสัตธรรมเนี่ยฟั่นเฟือนไปคนไม่รู้หรอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าจ ร, จริงๆคืออะไรเจ้าโศกบอกต้างจะทํำยังไงบอกต้องสังคายนาใครจะเป็นผู้นําสังคายนาได้เห็นยด่งเดียวพระโมคคิริบุตรติสะมหาเทระเข้าไปนิมนต์ท่านมาเป็นประธานสังคายนาครั้งที่สามพระโมคคิริบุตรติสสะเนี่ยอยู่ในคัมภีร์ฝ่ายเทรวาดนะ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 เนี่ยเรียนรู้ลงมานะ ค, ะความจริงดูความจริงดูให้เห็นความจริงไม่มีอะไรยากอย่าไปคิดเอาดูของจริงเอาถ้าคิดเอาอยัางไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาเพราะว่วาเห็นเอาเห็นอย่างที่เขาเป็ น, เ, เ, ป น, นเขาเป็นยังไงเขาเป็นใจรักษณ์แน่นอนกายนี้เป็นไตรักณ์ความรู้สึกสุขทุกข์เป็นใจรักษณ์ความจําได้หมายรู้เป็นใจรักษนะความปรุงดีปรุงชั่วเป็นไตรักษ์รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเป็นใจรักษณ์